เป็นสารพัดโรคเนาะโรคหัวใจโรคเกาพาอโรคความดันโรคไมเกรนโรคไตประสาทเสื่อมโรคภูมิแพ้ก็เลยเอเป็นพ่ออะไรก็เลยมาศึกษาดูอ่ถูกลงรักษาโรคไหนก่อนโรคเกาพ่อแรงเกิดเพินรักษาโรคเกาพ่อก่อนก็ไปอ่านหนังสือ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 ขนาดว่าจะจ้างเราให้ปฏิบัติเลยถ้าวัน ไ, ไม่รู้นี่มีเอาตังค์เลยนะยอมเสียตังค์ก็ไม่เคยฟังพระอาจารย์กรรมฐานที่ไหนจะรับประกันขนาดนั้นต่อมาออกจากส่วนมวกมาเจออาจารย์โกวิดอีกทีหนึ่งอาอาจารย์โควิดมามาวิธีการหลวงพ่อเทียนได้ไงอยู่ส่วนมวกเป็นนักวิชาการที่เป็นกรรมฐานมือขวาหลวงพ่อ พ, พุทธทาสใช่ไหมามาตามหลวงพ่อเทียนได้ไงไอเราก็งง แล้วก็เคยตามฟังอาจารย์ควิดพอปี๑9มาได้ฟังอาจารย์ควิดพูดถึงหลวพ่อเทียนพูดคือเมื่อก่อนไม่เคยพูดถึงหลวพ่อเทียนเวลาอาจารย์ควิทท่านบรรยายเก่งเนาะตามมหาเลายต่างๆเพราะท่า น, นอาจารย์สอนมหาลัยศิลปกรตรามาออกบวชแล้วก็อยู่กับอาจารย์พุทธทรรมาตลอดก็เลย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 ในลองทําให้ดูนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อทํำไหมทุกคนทําให้ดูนะอยากจะขอดูว่าสร้างจัหวะเหมือนไหมทุกคนลองทําดูนะสร้างจัหวะนี่ก็สําคัญนะจะรู้ได้เลยว่าเป็นสมถะและเป็นมิจนา แต่หลายกลุ่มลกลุ่มนู้นนั่งนู้นกลุ่มนั้นนั่งนู่ น, นไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้นั่งที่เดียวกันยังแปลกๆอยู่เดี๋ยวต้องถามหน่อยไหนขอดูหน่อยอ๋อเชอรี่มาแล้วเหร อ, อเปลี่ยนชุดใหม่เชอรี่เฮ้ยส่วนใหญ่ก็ถูกนะแต่บางคนเท่านั้นก็เอามาก็ทำแบบนั้นเอามาทำได้ประมาณสักห้านาที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 ยังยังไม่ยังไม่มาที่นั่นมีอาจารย์ทองล้ว น, นอยู่แทนก็เลยให้อาจารย์ทองล้ว น, นแกแกอารมณ์ก็นะปรากฏว่าตอนเย็นมาตกตอนเย็นมามันปิติมันขึ้นมันเดินไปแล้วมันกือมันลอยอะ่ะเดินเสลธะลาไปดูนไปนี่เขาเห็นเขาไปเจ้าแขนมา ไปหาหลวงพ่เทียนที่นี่หลวงพเียนจับแขนนั่งลงแล้วท่านก็เอามือมวยขีดอะไรไม่รู้บนอาหารว่าอย่างไรอันนี้เป็นยังไงทำก็ฟังท่านจิตของเรามาอยู่ที่นี่มันมันออกจากตัวที่เรากำลังเพ่งอยู่ตนั้นที่เป็นปิตินะมันออกมาอยู่ข้างนอกมันก็เลยหายท่านบอกว่าต่อไปอย่าไปทำคือทำให้สบายไปทำอะไรมากเกินไปทำมากเกินทำดีมากเกินไปมันก็ไม่ดีทาให้มันพอดี ท่านก็รู้ว่าเราเดับุญนอนบอกว่าเลิกอย่าทำทำอย่างนั้นแล้วมันเดี๋ยวมันจะเป็นบ้ามันเพี้ยนอย่างก็เลิกก็ทำมาเรื่อยเรื่อยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเรียนหนังสืออยู่ไปไปมามาทำบ้างไม่ทำบ้างแต่เข้าใจนะท่านพูดอะไรเข้าใจที่นี้การที่ฟังหอวงพเทียนสมัยนั้นน่ะมันเป็นภาษาพื้นบหันของท่านนะปนกันภาษามงเลยภาษา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 ชนถกชนเถียงไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ยังยังขัดขัดแย้งเหมือนเดิม <c oughs> เอ๊ะเมื่อไหร่มันจะหายทีก็ทำจริงจังนะ <c oughs> ต่อมาก็ถึงปีสองเจ็ดสองแปดเลยขึ้นไปจำพรรษากับหลวงพ่อ <c oughs> คำเขียนอยู่ป่าสุกตูสองพรรษา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 ก็ต้องปิดตัวนี้เข้าไปถึงลมมันก็ไม่หนีไม่หายเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวสติสมชัญญะตัวสติสมะธิยะที่เกิดจากศีลสมถทิปัญญาตัวนี้ถ้าเป็นฝาปิดเข้าไปเฉยๆถ้าไม่มีเกลียวล็อกเนี่ยจะอยู่ไหมเกลียวตัวนี้มีกี่เกลียวสามเกลียวอย่างน้อยเนาะ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 แต่ว่าเอามาจะเอาวิธีที่ได้ฝึกมาหลวงพ่อเทียนแล้วที่ตัวเองได้สัมผัสเนี่ยมาพาปฏิบัติเพราะในช่วงอยู่ด้วยกันสามสี่วันเนี่ยเอามาจะพลิกคว่ำพลิกไงไงกไ็เป็นเรื่องของอาตมาแล้วเนี่ยพราะว่าเชื่อมั่นว่าถ้าทําำลักษณะวิธีนี้แบบง่ายๆเบาๆสบายๆเนีย่ยไม่ต้องทาแต่ว่าทําแบบไม่ทํำจะว่าไงคือทําแบบไม่หยุดเหมือนกันนะ่ะแต่ว่ามันทําให้สบาย เราทำเพื่อดูปัญหาที่เกิดเราไม่ได้ทำเพื่อผลที่ได้เราทำแล้วจะได้อะไรไเราไม่ได้หวังแต่ขณะนั่งเนี่ยทุกคนยอมรับไหมว่ามีปัญหาตลอดใช่หมนั่งอยู่นี่หนักใช่ไหมหายใจใหญ่เป็นพักช้ใช่ไออระหว่างนั่งกับยืนเนี่ยต่างยังไงทุกคนรู้คนยืนอยากจะรู้ความต่างว่าขณะนั่งอยู่เนี่ยต่ความรู้สึกต่างกันไหม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 คือการเกิดและการดับถ้าจะถามว่ามันเกิดทีละขณะหรือเกิดพร้อมก <tes nak> <Me Bear ifts> ันที <religion> <tr ess mon ing> ่ภาษาเราเรียกว่าเกิดทีละขณะเดียวกันภาษาปัจจุบันเกิดทีละขณะเดียวกันคดีคำนี้ไหม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 คือความสบายเกินไปเรียกว่ากามะสุกันนิการนุโยกความไม่สบายเกินไปเรียกว่าอตตะเรมาทานุโยกผู้ปฏิบัติพึงละทางสุตรงที่ของข้างเสียแล้วมารู้ความพอดีระหว่างความสบายและไม่สบายอย่าให้สบายเกินไปและอย่าให้ทุกข์เกินไปเอาแค่พอทนได้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 เพื่อเพิ่มกำลังของปัญญาวิธีนี้เป็นปัญญาวิมุตตที่เราทำเนี่ยเพื่อเพิ่มกำลังของปัญญาแต่ปัญญามันเป็นผลแต่ตัวเหตุที่ให้เกิดปัญญาคือสติสัมปัญญาและสมาธิทำสมดุลกันทั้งสามตัวนี้มันก็่อให้เกิดปัญญาและปัญญาจะไปเห็นความพอดีของระหว่างความสบายและไม่สบายนะังนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให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 เวลาเอาคุกเข่าที่ที่ยืนคุกเข่าครึ่งตัว เ, เข่าไม่ค่อยดีก็จะหนักที่เข่ามากเลยแต่แต่มือ น, นี่เบาหวิวเลยส่วนเวลาเดินเออมีเวลายืนด้วยเวลายืนนี่ก็เท้าเท้ามันเจ็บนิดหน่อยก็จะไปรู้สึกหนักที่เท้ามือก็เบาค่ะ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 ความชอบใจทางจิตและความสบายทางกายตัวไหนเป็นสมูทัยของทุกตัวไหนไม่ใช่สมูทัยฟังอีกครั้ ง, ค ว, งความรู้สึกสบายทางกายกับความรู้สึกความชอบในความสบายตัวไหนเป็นสมูทัยตัวไหนไม่ใช่สมูทัยความพอใจเป็นตัวสมูทัยตัวรู้สึกชอบ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 สัมปชัญญะและสมาธิเป็นเรื่องเดียวกันแต่สมาธิที่ปราจจะจากสัมปชัญญะเราเรียกมิจฉาสมาธิตัวนี้ทาทันไหมอ่าทันเอาละทีนี้ตัวเวทนาละหว่างกลางที่ยังไม่สุขที่ไม่ทุกเราเรียกว่าอัตุขสมาสุขเพราะมันยังไม่ชัดว่าเป็นสุขและเป็นทุกข์เพราะอยู่ในระหว่างที่เปลี่ยน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 ถูกกำหนดรู้อธุกมรมสุเวินาถูกตามรู้มันเปลี่ยนมาเป็นปัญญาทันนะเพราะอะไรจงว่าปัญญาคือภาวะที่จิตโปร่งเบาสบายเป็นเหตุแกล้ให้เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตหนักนวงทวงทับอ่ดอัดเป็นเหตุใก็ให้เกิดโมหะแต่ถ้าหากรู้เท่าทันภาวะอันนี้เราไม่ไปเสพและไม่ไปปฏิเสธ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 พอพอใจมันก็ไปเสร็จไปติดไปยึดพอไม่แน่มันก็เพิดเพลินเผลอเพลิดเพลินไปเรื่องราวต่างๆมันก็จะไปอยู่อย่างนี้ตลอดมันถึงได้เกิดมาเป็นเราดังนั้นมาถึงณวนันนี้เราจะต้องมาตามหาแหล่งกำเนิดของมันว่าเอเราต้องเวียนว่ายใ้เกิดมานั่งอยู่ตรงนี้มันมาได้อย่างไรเพราะนั้นเราก็ตอบได้ว่ามันมาอย่างเนี้ย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 ท้าพระเจ้านามสกรพระธรรามสุปฏิปันโนะมวากาสังคโฆ ร, ราสง o สาวกของพระผู้มี พระพเจ้าบาธิบาทดีแลว้วสังขังนะมามีอาพระเจ้ า, า, านอบน้อมพระสงเปิดไปหน้ายี่สิบหักสอง 21่เอดนมยังพุทธะภะคะวะโตภูพาภานามกรังกโรมะเสนโมอนัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะ นามวันดาสะพะคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมปุตตะสะนามันาสะพะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมปุตตะสะ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 พุทธังสารนังคาชามีอาบะเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณาธรรมังสารนังคาชามีอาบะเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะ ขางสารนักฆาตชามีอาพระเจ้าถือเอาพระสงเป็นสารนาทุติยมปิพุทธังสารนาฆาดชามีแม่ครั้งที่สอง อาพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารนาทุติยมปิธรรมงสรนาขาจฉามีแม้ครั้งที่สองอาพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารนา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 แต่พอมาลงติปัดใจตัวระตัวนั้นหายไปจึงเหลือคำว่าสะอะไรทันไหมฟังอีกครั้งคำว่าสระนะตัวนั้นมาจากลากเดิมว่าสาระสระแต่พอลงนะปัดใจตามหลักของภาษาบาลีมันกลายเป็นสาระนะจึงแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมแต่พอเรามาลงติปัดใจ มันฆ่าท่าไปหนึ่งตัวเหลือสอเสือตัวเดียวแต่ติยังอยู่จึงเรียกว่าสติเพราะนั้นคำว่าสติกะสารลูกสอนกับคำว่าสารณะเป็นคำเดียวกันพอมาแปลว่าสติจึงแปลว่าอะไรแปลว่าระลึกได้แต่ไปแปลสารณะแปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งอ่าทำไมจึงแปลว่าลูกสอนลูกศรทําไมแปลว่าสติ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 หรือเมื่อ ไ, ไปเขาสติแปลว่าความระลึกได้ลึกได้เพื่ออะไรเพื่อจะไปนําจิตให้ทันเพราะจิตออกไปปพราสตินํากลับคืนมาให้ทันพัฒนาสติในระดับในระดับกายพัฒนาระดับสติในระดับเวทนาพัฒนาระดับจิตพัฒนาจิตในระดับอารมณ์มนจึงเขาว่าพัฒนาระดับกายเป็นรูปธรรม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 อดินนาธานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเวนจากกาที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วพระมณีเจตนาเป็นเครื่องเวน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 วิกาลโพชนาเวรามะานี <c oughs> นเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวราวิกานัจคีตวาธิตาวิสุกทันสสะนาว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 แกรักษาสินแต่สมมุติแต่สินประมัดไม่มีนะเพราะนั้นจป็นแท้คาว่าเอาคาว่าหินเนี่ยมาเป็นชื่อของคาว่าสินนะเพราะลักษณะของอหินเนี่ยมันมีคุณลักษณะห้าอย่างนั้นทีนี้ในคาว่าสินเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่เรามีเรารับสินแต่ว่าสินที่สมมุติที่เราจะใช้ในที่นี่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 นาหารุเอ็นทั้งหลายอาทิกกระดูกทั้งหลายอาทิมินชัางเยื้อในกระดูกวกักกลางตายหาทยางหัวใจยะกะนานังตับกิโลมกังพังผืด ปิหากลางมามปภบผ้าซางปอดอ่านตังรำไสอ่านตะคู่นางรำไสสุดอุธาริยังอาหารในกะเพาะการิซางอุจาระปิตังน้มดี เสมาสเรตอุโพนองโลหิตังโลหิตเซโทอเมโทมานอสูน้ำตาววสาน้ำเลืองเคโรน้ำลาย